เรื่องเล่าสยองขวัญเนอร์เซอรี่สยองก้อยเป็นบันณฑิตเพิ่งจบใหม่ไปสมัครงานไว้หลายที่หลังจากไปสัมภาษณ์งานเสร็จก็ไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทกลับมาอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่ก้อยกําลังไปสมัครงานได้เดินผ่านเนอร์เซอรี่แห่งหนึ่งเห็นป้ายประกาศกาลังเปิดรับนักเรียนและครูผู้ช่วยดูแลเด Part ็กพาร์ทไทม์อยู่ ก้อยจึงเดินเข้าไปสมัครเป็นครูผู้ช่วยเพื่อทำไปคลางๆก่อนระหว่างรองงานภายในสนามเด็กเล่นของเนื้อเซรีมีเด็กจำนวนหนึ่งที่ผู้ปกครองนำมาฝากไว้กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานโดยมีคุณครูคอยดูแลอยู่ก้อยเดินเข้าไปในห้องธุรการเพื่อติดต่อสมัครงานและได้รับการสัมภาษณ์จากคุณนิภาเจ้าของเนเซรีคุณนิพาเป็นหญิงสูงอายุเปิดเนเซรีแห่งนี้มาหลายปีแล้ว มีเด็กเล็กๆหลายคนที่ผู้ปกครองนํามาฝากไว้เพื่อให้ได้รับการฝึกพัฒนาการและการเรียนรู้สิ่งต่างๆคุณนิพาตกลงรับก้อยเข้าทำงานและให้เริ่มงานในวันจันทร์หน้าคุณนิพาเดินพาก้อยไปดูห้องเรียนและสถานที่ต่างๆทั่วเนอร์เซอรี่ยกเว้นหลังโรงเรียนซึ่งเป็นสระว่ายน้ําที่กําลังอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมอยู่ก้อยดีใจมากที่จะได้ทํางานถึงจะไม่ใช่งานที่ชอบแต่อย่างน้อยก็จะได้มีเงินใช้ดีกว่านั่งหายใจทิ้งไปวันๆ ระหว่างทางกลับบ้านมีหมอดูซึ่งนั่งอยู่ริมทางทักก้อยขึ้นมาว่าให้ระวังกําลังมีเคราะห์อาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตก้อยเดินผ่านไปไม่ได้สนใจเพราะไม่เชื่อพวกหมอดูทํานายดวงอยู่แล้วเมื่อถึงวันจันทร์ซึ่งเป็นวันทํางานวันแรกมาถึงก้อยรีบออกจากบ้านไปรอรถเมล์แต่เช้าเพื่อจะได้ไม่สายตั้งแต่วันแรกที่ทํางานเมื่อไปถึงเนอร์เซอรี่ประมาณ6กโมงเช้าก็พบกับครูหวาน ครูหวานเป็นครูสอนที่เนอร์เซอรี่แห่งนี้มานานแล้วครูหวานจึงแนะนำสิ่งต่างๆให้ก้อยสำหรับการควบคุมดูแลเด็กๆเมื่อใกล้เวลาเข้าแถวเคารพทงชาติผู้ปกครองก็เริ่มพาเด็กๆเข้ามาส่งที่โรงเรียนเด็กบางคนร้องไห้เสียงดังอนรว่าเพราะไม่อยากเข้าห้องเรียนและห่างจากผู้ปกครองสร้างความวุ่นวายแก่ครูและผู้ปกครองด้วยความที่ไม่ค่อยถูกกับเด็กๆก้อยได้แต่คิดในใจว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยหลังจากเคารพทงชาติ ก้จึงคุมแถวเด็กๆเข้าห้องเรียนวันนี้ครูหวานให้หนักเรียนเล่นเกมเพื่อฝึกพัฒนาการของเด็กๆโดยมีก้อยคอยช่วยครูหวานในห้องเรียนเมื่อถึงเวลา10บโมงจึงให้เด็กยืนต่อแถวกันเพื่อเดินไปรับประทานอาหารเที่ยงที่โรงอาหารเมื่อเด็กๆไปนั่งประจําที่โต๊ะอาหารแล้วแม่บ้านจึงตักอาหารมาให้เด็กๆก้อยสังเกตเห็นว่ามีเด็กวิ่งไปด้านหลังของโรงอาหารก้อยจึงเดินตามไปดูแต่ไม่พบเด็กที่วิ่งมา ก้อยมองไปรอบๆบริเวณหลังโรงอาหารซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับสระว่ายน้ําที่กําลังปิดเพื่อซ่อมแซมอยู่ก้อยได้ยินเสียงเหมือนมีคนกระโดดน้ําเล่นและเสียงเด็กๆกําลังเล่นกันอย่างสนุกสนานจึงเดินไปทางสระว่ายน้ําเพื่อจะเข้าไปดูแต่ก็มีเสียงเรียกที่หยุดก้อยหันกลับไปดูก็พบว่าเป็นพานโรงซึ่งกำลังเดินมาทางนี้และถือเครื่องมือบางอย่างมาด้วยพานโรงถามก้อยว่าจะเดินไปไหนก้อยจึงบอกว่า ได้ยินเสียงเหมือนเด็กๆกระโดดน้ำเล่นอยู่ในสระว่ายน้ำจึงจะเดินไปดูเผื่อจะเป็นเด็กๆแอบมาเล่นน้ำผ่านโรงรีบไล่ให้ก้อยกลับไปที่โรงอาหารและบอกว่าสระแห่งนี้กำลังปิดซ่อมอยู่ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาเล่นน้ำหรือเดินเข้ามาในบริเวณนี้เสียงที่ได้ยินเมื่อครู่เงียบไปก้อยคิดว่าตัวเองหูฝาดไปแน่ๆอาจเพราะอยู่กับเด็กๆตลอดทําให้หูแว่วจึงเดินกลับไปที่โรงอาหารก็เห็นเด็กๆอยู่กันครบกําลังนั่งกินของหวานกันอยู่ เมื่อทานอาหารเสร็จก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องนอนกลางวันครูหวานและก้อยเล่านิทานให้เด็กๆฟังและเมื่อเด็กๆหลับกันหมดแล้วครูหวานบอกให้ก้อยไปทานข้าวก่อนเสร็จแล้วให้รีบขึ้นมาเฝ้าเด็กๆครูหวานจะได้ลงไปกินข้าวเมื่อก้อยกินข้าวเสร็จก็รีบขึ้นมาที่ห้องเพื่อเฝ้าเด็กๆต่อครูหวานจึงลงไปกินข้าวขณะที่ก้อยกําลังเคลิ้มๆจะหลับก็ได้ยินเสียงเหมือนมีเด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่หน้าห้องก้อยจึงลุกขึ้นออกไปดูหน้าห้องก็เห็นหลังของเด็กๆวิ่งลงไป ก้อยคิดว่าคงเป็นเด็กๆห้องอื่นแน่ๆที่ยังไม่นอนก้ยจึงเดินตามไปดูเมื่อไปถึงบันไดก็ไม่พบใครสักคนจู่ๆก้อยก็รู้สึกเหมือนมีคนมาผลักจากข้างหลังดีที่ก้อยจับดาวบันด ไ, ไดไว้ได้จึงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก้อยจึงรีบกลับไปที่ห้องนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นใครคนไหนกันนะที่ผลักเธอจับได้และน่าดูครูหวานได้เดินเข้ามาในห้องก้อยไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ครูหวานฟังเพราะกลัวครูหวานจะหาว่าก้อยทิ้งเด็กๆไปเดินเที่ยวเล่นข้างนอก เมื่อถึงเวลาที่เด็กๆตื่นขึ้นมาก้อยจึงพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ําและล้างหน้าแปรงแป้งเตรียมตัวกลับบ้านเมื่อผู้ปกครองมารับเด็กๆกลับไปหมดแล้วครูหวานและก้อยยังต้องอยู่เตรียมการเรียนการสอนที่ห้องเรียนเมื่อเตรียมการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยก้อยก็เดินออกมาพร้อมครูหวานขณะที่กําลังเดินออกจากอาคารก็อยก็เห็นเด็กเล็กสองสามคนกําลังวิ่งเล่นอยู่บนตึกก้อยถามครูหวานครูหวานจึงตอบว่าสงสัยลูกของครูที่ยังไม่กลับบ้านอย่าไปสนใจเลยและบอกให้ก้อยรีบกลับบ้านเถิน ก, ก้ดรสครูหวานไปลงที่ป้ายรถเมล์และนั่งที่ไปตลอดทางว่าเด็กพวกนั้นแน่นอนที่ผ่านเธอถึงเกือบตกบันไดครุ่งนี้ต้องหาตัวให้เจอเพื่อจะได้เรียกมาอบรมสั่งสอนสักหน่อยพอรุ่งเช้าหลังจากคารพธงชาติก้ยพยายามมองหาเด็กๆที่เห็นบนตึกเมื่อวานแต่ก็หาไม่เจอเมื่อพาเด็กๆเข้าห้องเรียนครูหวานก็สอนเด็กๆให้ร้องเพลงเด็กๆชอบกันมากพากันเต้นรำและร้องเพลงกันใหญ่จากนั้น จึงพาเด็กๆลงไปทานข้าวและเข้านอนกลางวันก็จึงลงมากินข้าวที่โรงอาหารยังไม่ทันจะกินหมดก็เห็นเด็กๆทั้งสาคนที่เห็นบนตึกเมื่อวานกําลังวิ่งไปทางหลังโรงอาหารก็อยตามไปเห็นเด็กๆพวกนั้นวิ่งเข้าไปในสระว่ายน้าที่กําลังปิดซ่อมแซมก็อยจึงเข้าไปเพื่อจะพาเด็กๆผู้นั้นออกมาเพราสะสระว่ายน้ํากําลังซ่อมแซมอาจเกิดอันตรายได้เมื่อเดินเข้าไปภายในบริเวณเขตก่อสร้างก็เห็นพวกเด็กๆลงไปไว่ายน้ําในสระกันอย่างสนุกสนาน ก้อยรีบวิ่งไปที่สระว่ายน้ำทันทีเลือกเด็กๆที่ขึ้นมาจากสระแต่ไม่มีใครสนใจและยามขึ้นจากสระสักพักเมื่อมีมือของใครไม่รู้ถามก้อยลงไปในสระก้อยพยายามว่ายน้ํากลับขึ้นมาแต่เด็กๆคนนั้นจับขาก้อยไว้ก้อยหันไปดูเด็กๆสิ่งที่ก้อยเห็นทําให้ก้อยช็อกสุดขีดเพราะเด็กๆทั้ง3าคนนั้นอยู่ในสภาพอืดบวมตัวของเขาขาวซีดจนเห็นแต่เส้นเลือดตาขาวโพวนแถมยังยิ้มให้อีกด้วย ก้อยได้ยินเสียงเด็กๆวัวร้อง ก, กันอย่างสนุกสนานก้อยพยายามสลัดขาให้หลุดแต่ก็ไม่เป็นผลก้อยจึงร้องให้คนช่วยบังเอิญพานโรงเข้ามาเห็นพอดีจึงช่วยก้อยขึ้นมาจากสระว่ายน้ำและพาก้อยกลับไปที่โรงอาหารแม่ครัวที่โรงอาหารเห็นก้อยเปียกน้ำก็ตกใจมากจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นพานโรงบอกว่าเห็นก้อยตกลงไปในสระว่ายน้ำกลับขึ้นมาไม่ได้จึงลงไปช่วยแม่ครัวเอานมอุ่นๆมาให้ก้อย ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ครัวและพานโรงฟังพานโรงจรึงได้เล่าให้ก้อยฟังว่าเมื่อก่อนเคยมีเด็ก3ามคนอยู่ห้องเดียวกันแอบหนี้ครูไปเล่นน้ําสระนั้นโดยที่ไม่มีใครเห็นและได้จมน้ําตายทั้งสามคนหลังจากวันนั้นก็มีคนพบเห็นเด็กทั้ง3าคนวิ่งเล่นไปมาและถูกกักตกสาดน้ํามาแล้วก็หลายคนคุณนิพาที่เป็นเจ้าของจึงสั่งปิดตะไวาน้ําครูคนใหม่ที่เข้ามาสอนก็ถูกผลักตกบันไดลอาออกไปหลายคน หรืแต่ครูเก่าๆที่ยังคงสอนอยู่พานรวงบอกว่าเวลาปิดอาคารเรียนตอนกลางคืนก็มักจะเห็นเด็กๆพวกนี้วิ่งเล่นกันอยู่บนตึกหากครูคนไหนกลับดึกๆก็มักจะโดนหลอกอยู่บ่อยๆก้อยจึงตัดสินใจลาออกทันทีเพราะหากอยู่ต่อไปไม่รู้จะมีชีวิตรอดกลับเปเนอร์เซอรี่แห่งนี้อีกหรือเปล่าหลายเดือนต่อมาก้อยผ่านไปแถวเนอร์เซอรี่แห่งนี้ก็เห็นติดป้ายประกาศขายและได้พบกับแม่ครัวที่เคยทํางานที่โรองอาหารเล่าให้ฟังว่า หลังจากที่ก้อยลาออกมาไม่นานก็เกิดเหตุขึ้นอีกมีเด็กจมในสระว่ายน้ำที่กำลังปิดปรับปรุงอยู่อาการสาหัสแต่ยังดีที่ไม่ถึงกับเสียชีวิตรวมไปถึงครูหวานก็ถูกผลักตกบันไดาขาหักต้องใส่เฝือกดามไว้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเนอร์เซอรี่แห่งนี้ไม่เว้นแต่ละวันเจ้าของจึงตัดสินใจปิดเนอร์เซอรี่แห่งนี้และย้ายไปเปิดเนอร์เซอรี่ที่อื่นแทขนขณะที่ก้อยนั่งรถผ่านเนอร์เซอรี่เพื่ออ อ, อกไปฝากซอยสายตา ก, ก็ชำเลืองไปเห็นเด็กทั้ง3คนกำลังวิ่งเล่นกันอยู่ที่สนามเด็กเล่น ก้อยจำได้ไม่ลืมว่าเด็กทั้งสามคนนี้คือเด็กๆที่จับขาของก้อยตอนที่ก้อยอยู่ในสระว่ายน้ำจนเกือบจมน้ำตายก้อยนึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วยังสยองไม่หาย ห, ายหลังจากที่รถแล่นผ่านเนอร์เซอรี่ไปก้อยก็ไม่หันกลับไปมอนที่เนอร์เซอรี่แห่งนั้นอีกเลยหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ